นัตตลกนัตสูตรที่เราสัตยาเมื่อสักครู่มันเป็นการแสดงความจริงขั้นปรมาทนะความจริงก็มี2ระดับนะระดับปรมาที่ก็เป็นความจริงที่มันไปพ้นสมมุติไปพ้นบุคคลนะไปพ้นความเป็นเราความเป็นเขานะไม่มีในก่อในขอไม่มีแม้กระทั่งมนุษย์ไม่มีแม้กระทั่ทงสัต มแมลงมันมีแต่แค่ขันท่านะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นการมองทะลุทะลุสมมุตนะิหรือทะลุสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เป็นแก่นแท้แก่นแท้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ในความเที่ยงแท้แน่นอนนะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นความจริงขั้นพื้นฐานก็คือนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันมีความจริงอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรู้จักนะแล้วก็เกี่ยวข้องให้ถูกนะก็คือนะความจริงในขั้นสมมุตินะหรือสมมุติสัจจะซึ่งเราก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูก อันนี้เป็นความจริงที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราเรียกว่าทั้งวันเลยมีความเป็นพระมีความเป็นคาวาสนะความเป็นพ่อแม่ความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์นะอันนี้มันเป็นเรื่องความจริงระดับสมมุตินะซึ่งมันก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ให้เป็นในโลกของสมมุติมันก็มี นายกนายขอนะมีคนไทยคนพมา่าฝรั่งมีพุทธมีอิสลามนะมีเจ้านายมีลูกน้องนะในระดับ ส, สมมุติเราก็เป็นเจ้านายส่วนอีกคนก็เป็นลูกน้องหรือเราเป็นลูกน้องส่วนอีกคนก็เป็นเจ้านายเนะี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติมีเรามีเขา แต่ก็ถ้าเราเกี่ยวข้องให้ถูกนะมันก็จะช่วยทำให้อยู่กันได้อย่างสันติสุขและช่วยเราก็สงบราบรื่นด้วยการอยู่หรือการเกี่ยวข้องกันเนี่ยธรรมะนี่ก็ช่วยได้เยอะอย่างเช่นความเมตตากรุณาอย่างเช่นหลังจากที่เราสวดอนัตตลกนาสูตรเนี่ย ซึ่งมันไปพ้นความเป็นเราเป็นเขาไม่มีสัตว์บุคคลแต่เสร็จแล้วเราก็มานั่งนะแผ่เมตตาแผ่เมตตาก็แผ่สรรพสัพตว์นะอันนี้ก็เป็นการกลับมาสู่ระดับความจริงขั้นสมมุติหรือความจริงระดับสมมุติแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยการมีเมตตาต่อกันแผ่เมตตาสรรพสัพตวนะ์โดยที่ไม่ติด ในความเป็นเป็นเพศต่างเพศต่างเชื้อชาติต่างภาษาก็มีความเมตตาให้เสมอกันยังมีเรามีเขาอยู่นะแต่ว่าก็ไอเราก็เมตตาเขานะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราอยู่กับความจริงในระดับสมมุติได้ดีแล้วมันก็เป็นพื้นฐานไปสู่การเข้าถึงความจริงระดับปรมัตัย นี่เราเข้าใจแล้วก็แยกให้ถูกนะเพราะพืะจะบางครั้งพระองค์ก็สอนความจริงระดับปรมัดไม่มีตัวไม่มีตนแต่บ่อยครั้งพระองค์ก็สอนความจริงระดับสมมุตินะมีตัวมีตนนะเช่นตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะมีตนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งนะกับที่บอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนเพียงแต่ว่าท่านสอนคนระดับ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต่างกันสรระดับปรมาภิเพื่อให้ปล่อยวางส่วนสรระดับสมมุติหรือโลกิยะนะก็เพื่อให้ทำดีต่อกันนะทำดีต่อกันหรือว่าให้มีความเพียรพยายามบางทีก็ตัดว่าเนี่ยเราทั้งหลายมีกา ร, รเป็นของตน ของตนได้ยังไงเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไ, ไม่มีเราไม่มีของเราแล้วทําไมพู้เจ้าตับ ว, ว่าเรามีกรรมเป็นของตนอันนี้พระองค์สอนในอีกระดับหนึ่งจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เรานะรู้จักทําความเพียรเราก็ไม่โทษคนอื่นนะเวลาเราทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกรรมของคนอื่นมาระบายถ่ายเทมาที่เราไม่ใช่เป็นพ่อกรรมของพ่อแม่หรือวิบากของพ่อแม่มันก็เลยตกมาที่เรา ไม่ใช่อ่ะไอความเป็นไปของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมของเรานั่นแหละนะกรรมแต่และคนมีกรรมเป็นของตนนยอยากได้ดีก็ทาดีนะถ้าทําไม่ดีก็ต้องเจอชั่วนะหรือว่าเจอความทุกข์และขณะเดียวกันก็ถ้าอยากให้ตัวตนนี้ดีนะ ก, ก็ต้องมีธรรมะมีสติมีความเมตตากรุณา เอื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นนะมีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนใครนะอันนี้มันเป็นการสอนในระดับโลกียะหรือระดับมาความจริงขั้นสมมุตินะซึ่งเราใชใ้เป็นตราบใดที่ยังไม่เห็นไม่สามารถจะเห็นความจริงระดับปรมัตดยังมีเรามีเขามีนายกมีนายขอมีสัตว์แบ่งแยกเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อนะ่ะก็ต้องมีเมตตาต่อกันนะ น, นี้เป็นพื้นฐานเลยเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนที่เมืองไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยบริษัทห้างร้านหลายแห่งก็ปิดตัวหรือว่าลดขนาดลงก็มีบางคนนะก็ใช้โอกาสนี้ไปเรียนต่อต่างประเทศซะเลยนะนะผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนกันนะ เคยทำงานบริษัทใหญ่แต่ตอนหลังบริษัทนี้ก็ย่ำแย่ก็เลยอ่ะไปเรียนต่ออยู่ประเทศอเมริกาเธอไปเรียนที่เมืองบอสตันนะก็เป็นหมหาวิทยาลัยเล็กๆนะไปด้วยทุนที่ค่อนข้างจะจำกัดจองเขียหาทุนได้นะมายถึงได้ถึงได้ทุไทนไปแต่ก็ทุนก็ไม่มาก วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยใครใไปเที่ยวกันนะเธอก็ต้องอยู่หอพักนะเพื่อจะทาาําอาหารทําอาหารนี่ประเภทว่ากินได้ทั้งอาทิตย์นะอาหารที่ไปซื้อมาก็ไข่หนึ่งโหลนะราคาสองดอลลาร์เนี่ยกินได้ทั้งหวันนะก็กิจวัตรเป็นอย่างเนี้ยทุกอาทิตย์ก็คือวันเสาร์เนี่ยมาเวลาปิด ใคๆไปเที่ยวกันเธอก็ออกไปซื้อของจับจ่ายเพื่อมาทำอาหารกินทั้งอาทิตย์เช้าวันเสาร์วันหนึ่งเธอก็ทำเหมือนเดิมนะเช้าตรูก็เดินไปที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็ต้องข้ามถนนขณะที่รอไฟเขียวอยู่ตรงที่เกาะกลางถนนเนี่ย จูกๆก็มีคนดำคนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่มาล็อกคอเธอแล้วก็เอามีดจี้ที่เอวแล้วก็บอกว่าเอากระเป๋าเงินมาเธอก็หยิบจื่นให้โดยดีนะโจรคนนั้นคนกระเป๋าก็ปรากฏว่ามีเงินแค่20ดอลลาร์ก็ไม่พอใจพูดขึ้นว่าแล้วนาฬิกาล่ะเธอก็ชูแขนให้ดูไม่มีนาฬิกา ไม่มีกำไรไม่มีแหวนโจมก็ไม่ค่อยพอใจนะเขาก็ถามว่าทำไมอยู่ไม่มีเงินเลยมีแค่20่สิบดอลลาร์ก็ตอบว่าก็ไม่มีไม่ก็ฉันมีเท่านี้นะก็ถามว่าคนเอเชียเนี่ยเขามีเงินมากไม่ใช่เหรอ เธอก็ตอบว่าไอคนเอเชียคนหนึ่งอาจจะมีเงินนะแต่ว่าฉันไม่มีเงินเท่าไหร่หรอกเนี่ยมานี่ก็มาด้วยเงินทุนนะได้ทุนเอกชนมาตัวมันก็ซักไซต์ต่อนะแล้วเนี่ยมีเงินแค่ยี่ดอลลาร์นี่จะเอาไปทำอะไรเธอก็ตอบว่าก็ไปซื้อของเนี่ยจะไปซื้อของกินไปทำกับข้าว 20$ ดอลลาร์พอเหรอ ตอตอบพอเล่นะไข1ะ่1โลแค่2ดอลล่าเองนะระหว่างที่คุยต่อบกันอยู่เนี่ยนะก็บอกว่ายามนะยามหน้ามาทลายในะเห็นก็ทำท่าจะโทรศัพท์คงจะโทรศัพท์เรียกตำรวจนะเธอก็ก็เลยโบกมือนะโบกมือแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะเพื่อนกัน ยามได้ยินยามก็เลยวางหูโทรศัพท์ให้โจมันงงนะถามว่าเอ๊ะเราเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อไหร่ก็เป็นเ พ, เพื่อนกันเมื่อสักครู่นี่ไงนะให้โจนีมน่มันนั่นเลยนะมันอึ้งเลยนะไอ้นี่เราคิดจะปล้นเขาแท้ๆนะให้ผู้หญิงไทยคนนี้กลับบอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเธอก็คุยต่อนะหรือฝนไ่งไอ้ไอคนดาหรือโจนี่ก็ สงสัยไว้ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าคนเอเชียนี่ก็มีเงินกันทั้งนั้นแหละเธอก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะเราเป็นทาา IMF อยู่นะอยู่เนี่ยโชคดีนะเป็นแค่ second class citizen เป็นแค่พลเมืองชั้นสองเนี่ยแต่อเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเป็นทาา IMF นะรู้ไหม ไอ้โจมันใจอ่อนเลยนะใจอ่อนแล้วยังก็ประทับใจในน้ำใจคนไทยนะอุตสาหนะเร า, เราขนาดลอจีเขานี่เขายังบอกว่าเป็นเพื่อนกันเลยแล้วลงเออยังไงรู้ไหมไอ้โจคนนี้ก็พาเพียงไทยคนนี้นะไปซื้อของที่ซ u เปอร์มาร์เก็ตนะซื้อไข่ซื้ออาหารซื้อขนมให้เป็นถุงใหญ่เลยนะแล้วก็แถมเงินให้อีกห้สิบดอลลาร์ และพาไปส่งที่มาลัยไม่น่าเชื่อนะจากคนที่จะมาป้นเอาเงินเนี่ยนะพอเจอความเป็นมิตรของคนไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยนะทางที่มีโอกาสที่จะบอกยามได้ว่าเอ้ฉันถูกโจรปนนะกับผู้ทำให้โจรคนที่มันแคล้วคลาดก็เลยทราบซึ้งในน้ำใจคนไทยนะไปซื้อของให้แถมเงินได้อีกอผู้หญิงคนนี้ก็แน่นะ เธอก็ถามว่าบ้านบ้านคุณนะอยู่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ใต้สถานีรถไฟใต้ดินเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะไปเยี่ยมบ้านคุณนะจะไปพาทำอาหารไทยให้กินไอคนดังก็บอกโอ้ดีเลยนะเพราะว่าเมียเนี่ยชอบต้มยำกุ้งแล้ววันรุ่งขึ้นในะวันอาทิตย์เธอก็ไปจริงนนะ ไปแล้วก็ไปเจอเมียเจอลูกก็เลยเรียกว่าทั้งวันเนี่ยครุกกับการทำอาหารไทยนะเพราว่าเป็นเพื่อนกันเลยนะเป็นเพื่อนกันเลยเธอเรียนจบแล้วเมื่อใ่ก็ตามที่ไปแวบบอสตันเธอก็ไปแวะเยี่ยมครอบครัวเนี่ยนันะนี่เป็นเรื่องจริงนะที่มันมันเชื่เลยนะว่าแม้กระทั่งโจนเนี่ยนะถ้าหากว่าเรา มีเมตตากับเขาหรือมีความเป็นมิตรเนี่ยมันก็สามารถทำให้เขากลายเป็นเพื่อนเราได้ความเป็นมิตรของคนไทยคนนี้ก็เนี่ยก็แสดงออกจากการที่บอกนะบอกยามว่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดโกรธไม่ได้คิดเกลียดอันนี้เป็นเป็นอนุภาพนะของความเมตตาของอมิตรภาพนะเมื่อเราเป็นมิตร กับใครเนี่ยคนนั้นก็สามารถจะกลายาเป็นมิตรกับเราได้มีอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เกิดที่เกียวโตเช้า ว, วันหนึ่งเนี่ยรถไฟมันก็แน่นขนาดเลยไม่ใช่เช้าแล้วตอนเย็นล ะ, อะตอนเย็นเลิกงานรถไฟก็แน่นขนาดพอถึงพอจอดป้ายสถานีแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ชายเป็นหนุ่มร่างใหญ่นะเข้าไปในรถไฟ แล้วก็ส่งกลิ่นนะคือส่งกลิ่นเหล้านะคือเมามีอาการเมาไมายเข้าไปในรถไฟก็อารวาสนะผู้หญิงคนหนึ่งเห็นก็ลุกนะเพื่อจะหลบแกก็ผลักนะผู้หญิงคนนั้นจนถลาเลยผัวเมียคนหนึ่งนะถลาเนี่ยก็จะหลบเหมือนกันนะรีบลุกเลยนะไอ้ชายคนนี้ก็ แต่นะแต่ว่าไม่โดนนะโอ้คนนี่กลัวกันใหญ่เลยไอ้ที่ไม่พอใจก็เยอะนะแต่จูๆก็มีชายแก่คนหนึ่งเนี่ยเรียกผู้ชายคนนี้ไม่ได้เรียกนะยิ้มให้ด้วยแล้วก็กวักมือเรียกไอ้คนเมาเนี่กว่างงนะมันก็เดินเข้าไปหาชายแก่คนนั้นเนี่ยก็พูดขึ้นมา ว่าเนี่ยไปกินสาเกมาเหรอเห้หนุ่มก็ต้องว่าใช่สิแล้วมันเรื่องอะไรของแกมาถามทำไมคนแกนีนก็บอกว่าเนี่ยสาเกนี่ฉันก็ชอบกินนะนะปกติฉันก็ชอบกินสาเกใต้ต้นสากูระนะกับเมียมันมีความสุขมากเลยพอพูดเท่านี้แกก็สังเกต น, นะว่า ค น, นคนเมาคนนี้นะเริ่มท่ามีท่าที่อ่อนลงกำปั้นนี้ก็ค่อยคลายก็เซนอะไรบางอย่างได้ก็เลยถามว่าเมียแกเป็นยังไงบอกว่าคนนั้นจู่ๆก็ร้องขึ้นมาแล้วเมียตายแล้วนะตอนนี้ฉันไม่มีเมียฉันไม่มีมมมบ้านฉันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ร้องโ h o ร้องไห้นะแสดงว่าที่แกเ ม, มาเนี่ยเพราะว่านะมีความทุกข์นะ อาจจะเพิ่งสูญเสียเมียแล้วก็สูญเสียทุกอย่างชายแก่คนนี้ก็เลยเรียกมานั่งนะแล้วก็กอดนะให้หนุ่มคนเมานเนี่ยนะมันก็ยอมให้มันก็เข้าไปซบเลยนะแล้วก็อ่อนทำอากับเกียณี่อ่อลงไปเลยนะกลายเหมือนกับเป็นลูกแมวเชืองๆทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในสายตาของผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่ง เขาเพิ่งไปเรียนไอคิดโดมาเป็นฝรั่งไปเรียนไอคิดโดมาแต่ตอนที่เห็นไอชายหนุม่มคนเนี้ยที่มันเมานีนะแล้วก็อารวาดในในรถไฟเนี่ยแกก็เตรียมจะเล่นงานไอชายหนุม่มคนนี้แหละด้วยไอคิดโดนะอุตสาห์เรียนมามันเป็นศิลปะป้องกันตัวไง แต่พอมาเห็นคนแก่คนนั้นเนี่ยนะปฏิบัติกับคนเมาเนี่ยด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักด้วยความเข้าใจเนี่ยแกก็เลยรู้รว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไอคิดเราชั้นสูงเคืนนี้แหละก็คือการใช้ความรักนะการใช้ความเมตตาแล้วก็สามารถจะสยบนะคนเมาคนนั้นได้กลายเป็นอ่อนระทวยเลยนะเพราะว่าพอมีคนเนี่ย นะสามารถจะเข้าใจว่าเขาเนี่ยทุกข์เพราะอะไรเนะมาเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยคือการใช้เมตตาเนี่ยนะนะสยบนะคนที่มีท่าทีก้าวร้าวนะหรือว่ามีพฤติกรรมเกเรแทนที่จะกำราบด้วยการใช้กำลังนะแต่ว่าใช้เมตตาให้เมตตาที่เรากระทำ กับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นมิตรกับเราได้นะผู้หญิงไทยเนี่ยซึ่งมีเมตตามีความเป็นมิตรกับโจนเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนใจของโจนให้กลับมาเป็นมิตรกับเธอเนี่ยจนทางกายเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันหรือว่าคนแก่เนี่ยที่สามารถจะใช้ความรักนะปฏิบัติกับคนเมาเนี่ยด้วยความเป็นมิตรเนี่ย ไอ้คนมอนก็กลายมาเป็นมิจกับชายแก่ได้อันนี้มันเป็นวิธีที่เรียกว่าเอาชนะนะแต่เป็นการชนะใจนะไม่ได้ชนะด้วยกําลังซึ่งส่วนนึงเกิดจากความเข้าใจด้วยนะชายแก่คนนี้แกเข้าใจเลยนะคนว่าคนที่มีอาการแบบเนี้ก้าวร้าวนะเกล็กม เ, เ, กเรเกะรอย่างเงี้ยมันต้องมีบางอย่างข้างในนะต้องมีความทุกข์อาจจะเจอความสูญเสีย ใจจึงไม่โกรธนะใจจึงไม่กลัวด้วยนะแต่ใช้ความรักความเป็นมิตรมันมีอนุภาพนะความรักความเป็นมิตรเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าก็สอนเองนะว่าเวลาเนีเวลาเจอคนที่ทําตัวไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้นะความดีพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะนะความช่วด้วยความดีเอาชนะความตันหนีด้วยการให้ ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่มีพฤติกรรมเกเรหรือว่าโจรเท่านั้นนะที่สามารถจะการมาเป็นมิตรกับเราได้เนี่ยแม้แต่สิ่งที่มันไม่ดีะนะที่อาจจะไม่ได้มีดูมันจะไม่มีชีวิตนะอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยให้ความเป็นมิตรหรือความเมตตาของเราก็ช่วยช่วยเราได้นะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็น เป็นมะเร็งเนี่ยนะเธอก็อยู่กับมะเร็งได้ทั้งที่มันก็ปวดนะมันทําความปวดให้กับเธอแต่เธอก็อยู่กับมันได้โดยแทบจะไม่ได้ใช้ยาระ ง, งับปวดเลยเวลาตกกลางคืนเนี่ยเธอจะปวดมากนะปวดเพราะมะเร็งนี่แหละแต่เธอก็แทนที่จะหัวเสียโมโหโกรธานะเธอกับพูดกับมะเร็งดีๆนะม ะ, มะเร็งนะ ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วนะฉันก็จะนอนเธอก็จะนอนด้วยนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะแต่ตอนนี้เธอพักผ่อนได้แล้วแล้วเธอก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้มเร็งฟังนะมะเร็งมันจะรู้เรื่องหรือป้นะเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะแต่ที่แน่คือความเมตตาที่เธอมีกับมาเร็งเนี่ยมันทาให้ใจเธอเนี่ยสงบเย็นลงไอ้ความโกรธ ก็มาครอบงาเธอได้น้อยลงแล้วก็ทําให้ความปวดทุเราลงด้วยมองง่ายนึงคือว่ามะเร็งก็กลายมาเป็นมิตรกับเธอนะพอเธอให้ความเป็นมิตรความเมตตกับมะเร็งนะมะเร็งก็กลายเป็นมิตรกับเธอเหมือนกันก็คืออารวาสอ่นะน้อยลงนะอีกคนหนึ่งก็เป็นโรคสะเก็ดเงินนะปวดมากแต่ว่าเธอก็ไม่ค่อยได้ใช้ อ, อย่าเรางับปวดเท่าไหร่ก็อยู่กับสเก็ดเงินได้ทั้งที่สเก็ดเงินที่เธอเป็นมันก็แรงมากนะต้องนอนอยู่บนบนใบตองเธอเป็นคนชอบทําบุญนะเวลาเธอทําบุญเธอก็จะบอกกับสเก็ดเงินว่าสเก็ดเงินวันนี้ฉันทําบุญนะถ้าเธอจะไปก็เอาบุญกุศลไปด้วยนะแต่ถ้าเธออยู่เธอต้องระวังนะเพราะยาที่ฉันกินมันแรงเธออาจจะตายได้ การที่เธอมีเมตตาสะเก็ดเงินเนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้สะเก็ดเงินนี่ก็กลายมาเป็นมิกับเธอก็คือว่า ร, รบกวนรังควานนะหรือว่าทิมแทงนะเธอน้อยลงจริงๆมันเป็นเรื่องของใจเธอมากกว่านะพอเธอมีเมตตาแล้วเนี่ยนะใจเธอก็สงบเจ็นยอมรับสิ่งที่เป็นได้ไม่ไม่โมโหโกรธาไม่ปฏิเสธไม่ผักใสซึ่งถ้าทําเช่นนั้นเนี่ยก็จะทุกข์ทรมานมากนะมันจะ ทังทุกข์ใจแล้วก็ปวดด้วยนั้นความเมตตาเนี่ยนะมันไม่ได้มันไม่ใช่เพียงว่าใช้ได้นะกับคนที่ไม่ดีกับเรานะคนที่รบกวนรังควานเราคนที่เป็นผู้ร้ายนะหรือคนที่ก้าวร้าวกับเราแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นโทษเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยเราลองทําใจให้เป็นมิตรกับเขาดูนะ มันก็จะเราก็จะได้ความเป็นมิกักบคืนหรือได้ความสงบเย็นกับคืนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะความป่วยไข้นะไม่ใช่ความตายเนี่ยนะเราลองเป็นมิจฉาความตายดูนะความตายก็จะเป็นมิกับเราเราก็จะกลัวตายน้อยลงหรือว่าเราก็จะถูกความตายเนี่ยมันมาทิ่มแทงบีบขั้นลบกวนรังควานเราน้อยลงทุกวันนี้คนเป็นทุกข์เพราะความตายเพราะเป็นศัตรูกับมันพอใจเราเป็นศัตรูกับมันเช่นกลัว เช่นปฏิเสธผักใส่เนี่ยก็ถูกความตายหลอกหลอนนะแต่พอเรามาเป็นมีกับความตายดูนะความตายก็จะสวดเป็นมีตกับเราเราจะกลัวตายน้อยลงนะเราก็ได้เปลี่ยนจากความตายนะความตายก็สามารถจะสอนทําให้กับเราได้เช่นเดียวกับความเจ็บป่วยนี้ท่ามองให้เลึกลงไป อ, อีกชั้นหนึ่งนะไออารมณ์อกุศลเนี่ยนะเช่นความโกรธนะความหงุดหงิดความวิตกตั้งวลเนี่ย ซึ่งปกติพอมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะไม่ชอบเราก็จะรังเกียจเราก็จะผักใสนะหลายคนก็จะพยายามใช้วิธีกดข่มหาทางเล่นงานอารมณ์เหล่านี้พอเห็นว่ามันเป็นอกุศลมันทำให้ทุกข์เราลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะท่าทีนะจากการเป็นศัตรูเนี่ยมาเป็นมิตรกับเขาดู ก็คือตอนรับเขาไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปรู้สึกลบกับเขานะตอนรับเขาเหมือนกับเราต้อนรับเพื่อนเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คล้อยตามเคลิมคล้อยไปกับเขานะท่านติสนัฏฐานเนี่ยเคยพูดว่าเนี่ยเวลามีความโกรธเนี่ยให้ให้โอบกอดความโกรธนะอันนี้รวมถึงอารมณ์อย่างอื่นด้วยเช่นความเศร้าโอบกอดมันนะโอบกอดนี่หมายถึงว่ามันสะท้อนถึงธาตุทีที่ ยอมรับหรือต้อนรับไม่รู้สึกปฏิเสธผักใส่หรือรู้สึกเป็นลบถ้าเราสึกเป็นลบกับอารมณ์เ่านั้นนะอารมณ์เ่านั้นก็จะมาเล่นงานเรามันก็จะสร้างความทุกข์กับเราเช่นเดียวความฟุ้งซ่านเหมือนกันนะหลายคนไม่ชอบรู้สึกลบกับความฟุ้งซ่านแต่พอเราทันทีที่เรารู้สึกลบกับมันเนี่ยเราก็จะถูกมันเล่นงานหลังควานอาวาดมากขึ้น แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนท่าทีมาเป็นบวกนะก็คืออะมาก็มานะฉันไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าฉันก็ไม่ไม่หลงเชื่อนะตามเธอแล้วก็ฉันก็ไม่ทำอะไรกับเธอไม่ต่อสู้ไม่สู้ลบตกมือกับเธอต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันถ้าเราวางท่าทีแบบนี้หรือทาแบบนี้ความสงบจะเกิดขึ้นในใจเราทันทีเลย เสียงดังก็เหมือนกันนะเสียงดังนะถ้าเราไปไปไปต่อสู้นะไปผักใสเนี่ยคนที่ทุกข์คือเราแต่พอเราเ อ, อ, อาจจะวางใจเป็นกลางนะหรือมองว่าเออเขาเป็นเสียงเพลงก็ได้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยนักบินอวกาศที่มันเจอเสียงเหล็กกระทบกันในยานเนี่ยแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดลำคาณนะทางพยายาม กำจัดเสียงนั้นแต่หาต้นตอของเสียงไม่เจอก็ยิ่งลาคารู้สึกหงุดหงิดนะอึดอัดจกนกระทั่งจะเป็นบ้านะแต่พอเปลี่ยนความรู้สึกมาเป็นบวกกับมันนะลองนึกรักมันดูนะลองจินตนาการเป็นเสียงเพลงดูปรากฏว่าใจสงบเลยเสียงก็ดังนะแต่ใจสงบแล้วเพราะมีความรู้สึกเป็นบวกนะกับเสียงนั้นนะ มีความเป็นมิตรกับเสียงนั้นให้เราลองนะลองใช้นะความเมตตาความเป็นมิตรเนี่ยรับมือกับสิ่งต่างๆนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกเช่นคนนะเสียงนะภูมิอากาศนะความร้อนความหนาวหรือเหตุการณ์อาจจะรวมถึงเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะลองเป็นใช้ความเป็นมิตรกับเขาดู นะซึ่งมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานคือเข้าใจว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เห็นใจเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยนะจะกลับกลายมาเป็นมิตรกับเรานะได้ง่ายขึ้นอนะนี่รวมนึ่งเหตุการณนะ์เหตุการณ์ที่มันไม่เป็นมิตรกับเราเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียอุปสรรคลองเปลี่ยนท่าทีมาเป็นมิตร ด, ดูมองเขาในเชิงบวกมากขึ้น นะแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันก็จะกลายมาเป็นมิตรกับเรารวมทั้งสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราอารมณ์ต่างๆความหงุดหงิดความเครียดความวิตกนะลองรู้สึกดีนะลองทําความรู้สึกที่ดีขึ้นนะกับมันดูเราก็จะมีความสุขได้เมื่อปีที่แล้วก็มีการวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ย มันจะก่อผลต่างกันกับคนที่มองหรือมีท่าทิที่ต่างกันเกี่ยวความเครียดเช่นเขาให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะที่พนักงานธนาคารเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาฟังบรรยายว่าความเครียดเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรนะมันทําให้เป็นโรคหัวใจความดันขึ้นนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมีการบรรยายมีการดูคลิปวีดีโอว่า ให้ความเครียดภาระที่หนักเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะได้เรียนรู้มากขึ้นมันช่วยทําให้เราได้ เ, เกิดาการเรียนรู้ใหม่ๆนะมันทําให้กระตุ้นให้เราเกิดความเพียรความพยายามเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปตามผลนะว่าคน2กลุ่มเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งในเชิงสุขภาพแล้วก็ในเชิง การทำงานเพราะว่ากลุ่มที่ถูกบอกว่าความเครียดมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะก็จะมีปัญหาเรื่องการทำงานทำงานได้แย่ลงส่วนกลุ่มที่เขาได้รับการบอกว่าความเครียดมันมีข้อดีอย่างไงบ้างเพราว่านอกจากทำงานได้ได้ดีแล้วให้ความรู้สึกความรู้สึกเอ่อท้อแท้กับงานเนี่ย มันก็ลดน้อยลงด้วยอันนี้มันชี้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดไม่ใช่ปัญหาแต่ความรู้สึกต่อความเครียดต่างหากนะหรือท่าทีทัศนคติของเราต่อความเครียดต่างหากที่มันเป็นปัญหาถ้าเราสึกลบกับมันวุวน่นวายบนนะอันนี้เราแย่เลยแต่ถ้าสึกว่าเออมันมีข้อดีนะมันก็เกิดผลดีกับเราได้เหมือนกัน เะเนี่ยลองนะกลับมาดูนะกลับมากลับมาดูที่ใจของเราปรับท่าทีของเรานะมีความเป็นมิตรกับสิ่งต่างๆมากขึ้นยอมรับมันได้มากขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในเนี่ยนะในะช่วยทําให้เรานะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยนะสิ่งนั้นจะกลายมาเป็นมิตรกับเรามากขึ้นชาติเนี่ยว่เท่านี้นะกรับพรนะ